มีชายคนนึงนะเป็นชาวสวนรับจ้างทำสวนอยู่ที่เมืองจันทร์ทมาเกือบสิปีแล้ววันหนึ่งก็รู้สึกเบื่ออยากจะกลับไปบ้านเกิดบ้านเกิดนี่อยู่จังหวัดขอนแก่นจริงจริงจากจันท บ, บุรีไปขอนแก่นนี่มันก็ไม่ยากอะไรนะแลวแกก็มีเงินด้วยเงินสำหรับค่ารถนะแต่ปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าแกมีหมาตัวหนึ่งนะ คือเจ้าแดงอายุหนึ่งปีนะจแกไปกลับบ้านไปขอนแก่นด้วยรถประจำทางรถเมย์อย่าว่าแต่รถทัวร์เลยนะแค่รถสีส้มนี้ก็ก็คงจเจ้าเจ้าแดงกลับไปด้วยไม่ได้เพราะว่ารถเขาคงไม่ยอมนะเมืองไทยเราจะไม่ยอมมอนุญาตให้เอาหมา ขึ้นรถประจําทางได้แล้วจะทํำยังไงนะีจะทิ้งเจ้าแดงไปแล้วก็เดินทางกลับขอนแก่นยังก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าผูกพันกับเจ้าแดงนี่มาตั้งแต่เขายังเล็กแล้วทําำยังไงนะอยากจะกลับบ้านแต่ว่าก็ไม่อยากทิ้งเจ้าแดง สุดท้ายก็เลยใช้วิธีเดินกลับบ้านเดินจากจันท บ, บุรีนะไปขอนแก่นนะพวกเรานี่ขนาดเดินจากนี่เนี่ยไปท่ามาไฟนี่บางคนก็ยังไม่อยากเดินเลยหรือยิ่งเดินไปแก้งคลอรนี่ก็ลืมได้เลยนะแต่ชายคนนี้เนี่ยซึ่งอายุก็เกือบห้าสิบแล้วนะแกไม่ลังเลเลย เดินเท้ามุ่งหน้าไปขอนกันพร้อมกับเจ้าแดงด้วยเหตุผลเพียงว่าไม่อยากทิ้งเจ้าแดงไปในจริงการเดินกลับบ้านเนี่ยนะมันใช้เงินมากกว่านั่งรถเม์นะนั่งรถเม์หรือนั่งรถทัวนี่ก็คงจย่าักสามสี่ร้อยห้าร้อยบาทแต่ว่า เดินกลับบ้านพร้อมกับเจ้าแดงนี่มันเป็นเดือนนะนะอาจจะสองเดือนก็ได้ค่าอาหารนี่มันแต่ละวันนี่มันจะเท่าไหร่นะค่าที่พักนี่ไม่เท่าไหร่นะเพราะาอาศัยวัดนะนอนวัดบางทีก็อาศัยลงพักสถานีตำรวจ นะหรือว่าซุ้มตำรวจแล้วก็เดินเนี่ยหนึ่งเดือนนะถึงแค่ปราจีนจากจันทบุรเีเดือนหนึ่งเนี่ยนะถึงแค่ปราจีนนะในปราจีนนี่มันห่างจากขอนแก่นนีเยอะทีเดียวแต่ว่าโชคดีหน่อยนะในตอนที่ไปพักนะแถวปราจีนเนี่ย มันมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะของมูนิธร่มกระตันอยู่นะหรือมุนิธิกู้ภัยทำนองเนี่ยนะเห็นชายคนนี้เนี่ยกับเจ้าแดงมานอนพักก็สอบถามดูพอรู้ว่าเนี่ยจุดมุ่งหมายคือจะเดินไปถึงขอนแก่นตกใจเลยนะเดินไม่ได้ยังไงนะปราจีนไปขอนแก่นก็เลยอาสาขับรถไปส่งนะ ส่งทั้งคนทั้งหมาแล้วก็มีผู้ใจบุญนะเขารู้ข่าวเขาก็บริจาคเงินมาช่วยด้วยเพราะว่าทราบซึ้งน้ำใจนะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากนะคนเนี่ยมีความผูกพันกับหมานะใจจะนึกถึงบ้านนะแต่ก็ไม่อยากทิ้งหมาไปและการเดิน กลับบ้านแบบนี้เนี่ยถ้าเดินแบบไม่มีหมามาร่วมเดินด้วยนี่ก็คงจะเดินไม่ได้เหมือนกันนะงั้นมอนงใง่อหนึ่งเนี่ยนะต่างช่วยซึ่งกันและกันชายคนนี้ก็ช่วยหมานะเดินเป็นเพื่อนพากลับบ้านไม่ทิ้งไว้นะที่สวนเมืองจันทร์คนเดียวหรือตัวเดียว สวดหมาก็ให้กำลังใจหรือเป็นเพื่อนนะให้กับชายคนนี้เพราะคนเราเนี่ยถ้าจะเดินไกลๆแบบนี้เนี่ยในการไม่มีเพื่อนเดินคนเดียวที่มันยากนะว่าไปแล้วนี่การมีเพื่อนที่ดีเนี่ยแม้จะเป็นหมานี่นะมันเรียกว่าดีกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้ซ้ำํำนะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ย แม่มันจะยากนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปเมื่อ2เดือนก่อนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ค้าแม่ค้าขายไก่ขายไขย่ถูกรถตด้รางวัลที่1 น, นะได้รางวัลกล้านบาททีแรกก็ก็ดีใจนะแต่ผ่านไปเดือน2เดือนไม่ถึงสองเดือนแล้วแกบอกว่าไม่มีความสุขเลย ถูกลตอตเตอรี่รงวันที่หนึ่งเนี่ยเหมือนกับถูกลุมกระทืบนะชีวิตนี่เปลี่ยนไปเลยเหมือนกับถูกลุมกระทืบเพราะว่ามีแต่คนมาลุมทึ้งไอ้คนที่ได้ไปเขาก็ไม่พอใจที่ได้น้อยไอ้คนที่ไม่ได้ก็ยิ่งไม่พอใจใหญ่ไม่มีความสุขเลยในทางตรงข้ามนะชายคนนี้นี่ถึงแม้จะยากจนนะแล้วก็ต้องเดินนะกลับบ้าน ฝ่าแดดฝ่าฝนแต่ตมาชิดว่าก็ามีความสุขกว่านะเพราะว่าเขามีเพื่อนมาร่วมเดินมีเพื่อนที่มาคอยให้กำลังใจแม้จะเป็นหมาก็ตามในการคาุ่คนเราจะมีเพื่อนที่ดีนี่มันยากนะยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ว่ามันก็คุ้มนะ พอถูรถตเรือวันที่หนึ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันแห่งความสุขบางทีกลับทุกข์กว่าเดิมก็ได้อย่างผู้หญิงคนนี้พอเนี่ยชีวิต เ, เปลี่ยนไปมันก็ถูกลุมกระทืบเลยแล้วก็มีตัวอย่างมากมายนะแต่ทุกวันนี้คนก็อยากจะรวยอยากจะถูกรถตูเรือวันที่หนึ่งแต่ว่าไม่สนใจนะว่า้การมีเพื่อนเนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยแต่ว่าการมีเพื่อนที่ดีเนี่ยแม้จะเป็นเดรัจฉานี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะ เพราะว่ามันไม่ใช่อาศัยโชคนะตัวรถตัวเล่นวัาที่หนึ่งนี่อาศัยโชคแต่การที่จะมีเพื่อนดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องโชคอาศัยโชคนะมันต้องอาศัยความรักความใส่ใจอย่างเจ้าของวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่ใช่คง น, นะก็แน่นอนเลยนะเ็มีความรักความห่วงใยเจ้าแดงมากอยากจะกลับบ้านแต่ก็ไม่อยากทิ้งเจ้าแดงไว้ที่สวนเมืองจันนะกลับบ้านไปด้วยกัน แม้จะเหนื่อยแม้จะทุกข์ยากแต่ก็ยอมนะอันนี้เรียกว่าความเสียสละนะความมีน้ำใจแล้วก็เพราะคนเรามีน้ำใจแบบนี้นะให้การมีเพื่อนเนี่ยไม่ใช่แค่สัตว์อย่างเดียวแต่คนด้วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากอะไรอาจจะง่ายกว่าถุกเราต้องเล่นวันที่หนึ่ง แต่ถ้าไม่มีน้ำใจไม่มีความใส่ใจมันก็ยากกว่าที่จริงไม่ใช่เฉพาะกับสัตว์นะกับคนหรือไม่ใช่เฉพาะกับเพื่อนนะกับลูกกับคนรักกับพ่อแม่ก็เหมือนกันนะความผูกพันมันเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความรักความใส่ใจรักอย่างเดียวไม่พอต้องใส่ใจด้วยใส่ใจคือให้เวลาแล้วก็พร้อมที่จะรับฟัง อันนี้อาจจะยากกว่าการเลี้ยงหมานะเพราะว่าหมานี่มันมันฟังทุกเรื่องที่เราพูดแล้วมันก็ไม่เถียงนะแต่ว่าลูกนะหรือว่าคนรักหรือพ่อแม่หรือแม่แต่หลานนี่เขาก็มีความเห็นเป็นของตัวเองอาจจะแยง้งอาจจะไม่เชื่อฟังในบางเรื่องแต่ถ้าเรามีความรักมีความใส่ใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ ที่จะยอมรับความแตกต่างนะหรือว่าที่จะอดทนอดกลัน้นให้การมีเพื่อนเนี่ยหรือการได้เพื่อนเนี่ยมันเป็นโชคนะแต่ว่าจะมีหรือได้เพื่อนเนี่ยมันก็ต้องรู้จักให้นะและไม่ใช่เฉพาะเพื่อนอย่างเดียวนะความสัมพันธ์อย่างอื่นด้วยก็เหมือนกันมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะรู้จักให้เสียสละใส่ใจห่วงใยและถึงตอนนั้นเนี่ยนะมันจะให้ความสุขกับเรา ยิ่งกว่าทุจริตตเลขรวันที่หนึ่งซะอีกนะแล้วก็มันสามารถทำให้เรามีความสุขได้แม้จะยากจนนะหรือว่าไม่ร่ำรวยแต่ว่าอาจจะรวยความสุขนะเพราะว่าการมีมิตรภาพหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัว